8. สันนิธิการะกะสิกขาบท 91. ถามทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้ฉันของเคี้ยวหรือของฉันที่เก็บสะสมไว้ณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพท่านพระเวรัตถศีสะถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ท่านพระเวรทศสีษะฉันโภชนะที่เก็บสะสมไว้ในสันนิธิการกาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอละกะโลมะสมุดฐาน